182. เกนิยะดินวัตถุว่าด้วยเกนิยะฉดินถวายน้ำอัฐบาล 300. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงอาปณะนิคมเกนิยะดินได้ทราบข่าวว่าพระสมณะโคโดมผู้สากยบุตร เสด็จออกผนวดจากสากยตรกูลเสด็จถึงอาปณ น, นิคมแล้วท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิ ช, ชาและเจรณะเสด็จไปดี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 เอวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตา่างแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วนการได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้ เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นเกนิยะฉดินได้มีความคิดดังนี้ว่าเราจะนําอะไรหนอไปถวายพระสมณะโคดมได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพ ร, ราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะ รูสีเวสามิตะรูสียะมะตัก c ิ i รูสีอังคีรสรูสีภาระทวาชะรูสีวาเสษถะรูสีกัสปะรูสีภคคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนสอนมนที่พวกพราหมณ์ในเวลานี้สวดสอนซึ่งบทมน์เก่าที่ท่านสวดสอนรวบรวมไว้ สอนได้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้ฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ฉันอาหารในราตรีงดฉันในเวลาวิการฤาษีเหล่านั้นยินดีน้าดื่มอย่างนี้แม้พระสมณโคดมก็ไม่ฉันอาหารในราตรีงดฉันในเวลาวิการ ก็น่ายินดีน้ำดื่มอย่างนี้บ้างแล้วสั่งให้เตรียมน้ำดื่มเป็นอันมากให้คนหาบไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้สนทนาปราสัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืนหน้าที่สมควรเกนิยะดินผู้ยืนหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมโปรดรับน้าดื่มของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกนิยะถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดครั้งนั้นเกนิยะฉดินได้นำน้ำดื่มมากมายประเคนพิกษุสง์สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วห้ามพัตตาหารแล้วทรงละพระหัตจากบาด จึงได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เกนิยะเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาดหารแก้ากล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นเกณิยะฉะดินผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้กลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับพัฒตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เกนยะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รูปและท่านเองก็เลื่อมใส ย, ยิ่งนักในหมู่พราหมณ์แม้ครั้งที่สองเกนยะฉะดินก็กราบทูลนิมนต์ว่าพระโคโดมผู้เจริญแม้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีจำนวน 1,250 รรูปและข้าพระองค์ เลื่อมใส ย, ยิ่งนักในหมู่พราหมณ์ก็จริงถึงกระนั้นขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับพัตนาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพ ค, ครั้งนั้นเกนยชฉะดินทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว ได้ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาลต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีระถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำอัฐบาล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 ทั้งหลายเราอนุญาตน้ำผลไม้ท right? ุกชนิดเว้นน้ำต้มเมล็ดข้าเปลือกภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำใบไม้ทุกชนิดเว้นน้ำผักดองภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะส่งภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำอ้อยสดคืนนั้นเกนยะฉะดินให้เตรียมโภชนาหารอันประณีตที่อาสมของตนแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกแล้ว ทรงถือบาดและจีวรเสด็จไปที่อาสมของเกนิยชดินประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เกนิยชดินได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยมือของตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จห้ามพัฒตาหารแล้ว ทรงละพระหัตจากบาทแล้วจึงนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณิยะฉะดินด้วยพระคาถานี้ว่ายันพิธีมีการบูชาไฟเป็นประธานสาวิตีฉันเป็นประธานของพระเวทพระเจ้าแผ่นดิน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 พระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาเกนิยชดินเสร็จจึงทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับ